เรื่องสำคัญว่าใช่สีเรื่อง 1.88 สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะฆ่าภิกษุที่จองเวรกันสำคัญภิกษุนั้นว่าเป็นภิกษุนั้นจึงฆ่าภิกษุนั้นท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอวบปาราชิก งเเล็บรื่่อที80สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จกฆ่าภิกษุที่จองเวรกันสำคัญภิกษุนั้นว่าเป็นภิกษุนั้นแต่ค่าภิกษุอื่นท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตติปาราชิกหรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปกลาดทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพรงตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่82 ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จากฆ่าภิกษุที่จองเวรกันสําคัญภิกษุที่จองเวรกันว่าเป็นภิกษุอื่นแต่ฆ่าภิกษุผู้จองเวร น, นั้นท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตรปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกร่าวทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพรงตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตรปาราชิกวงเล็บเรื่องที่แปดสิบสาสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่ง